มาแล้วติ <c oughs> มาไป <c oughs> เห็นว่าจะมามาค่ะมาเคาบอกว่าไม่เกินแปดโมงกะโหลกโรกรธถ้ากมโขงอยทักยื่นส <c oughs> ายวันอะไมาก็ต่อกันได้เราแบต่อกันเลภผ้าปา่าผ้าปา่าซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตในพระสิกขา ที่สูงใช่ผ้าบางสกุลไม่ใช่ผ้าเขาตัดเย็บตามท้องตลาดสิ่งนี้อันนี้สงมากมหาบางสกุลก็คือผ้าหอศกผ้าเกิดขึ้นในป่าบนโบ ร, โบราณเวลาญาติพี่น้องร่วงรับแดบอขันไป <c oughs> ไปผ้าบางสกุลไปทอดบางสกุลเอาถาดเอาอะไร ไว้ใต้ปุติข้างปุตติจิงไหม่ไปปกบางนิดหน่อยเรีว่าจะเป็นผ้าป่าแล้วก็ไปตีกองตีผป ง, ป ง, ปงปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งเพื่อให้พระจะรู้ว่ามีผ้าของสกุลมาได้จุดหนึ่งแล้วหมายควาว่าตามวัดในบ้านควรเป็นหมาของสกุลโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าสอนว่าสกูลในจีวรังเนิส่ายาสันทชา ตถาเตจวชีวังอุตสาโหโอกรณีโยมันภาษาอุปสมบทแล้วอุตสาโหโอกรณียโยอุตสาหพยายามบางสกุ ล, ลจิวราผ้าพบางสกุลเป็นวัดเถิดเนี่ยคนเราก็ไปเจผ้ากรถิ่นท่ากระถิ่นทาานทําทเรื่องยุ่งภาพพระไม่พอก็ไปทํากันที่จะเป็นบุญก็เป็นบาปพระไม่พอจะไปทํายังไงผ้ากรถิ่นต้องใช้พระพิทุสงฆารูปขึ้นไป เห็นไหมเราพิธีเราพากันทำกันจุวเห็นกันทำกันตรวดมากแอัปรปโรสี่ลูปสวดอีกสองลูปรับอีกลูกหนึ่งถ้าไม่พอเอาจากที่อัปโปโรนั่นมาสวดยัตติกรรมก็ได้ยันได้เอาพระสงฆ์ห้าลูปเป็นของทำยากถ้าพระไม่ก็ย่อมไปทำก็ผิดพระที่ใน เ้าบอกว่าให้ทําผ้าปลาผ้าไมปพอก็อไม่ยอมตั้งใจจะทํากัดถิน่นนะบางคนไม่เข้าใจก็งัวาตายกัดโตผู้หนึ่ปลาตายกัององก ด, ด, ด, ดเป็ตุ่มโง่งกัดโตขังปลาส่วดๆก็ได้ผลตัวไม่ได้ข า, าปลาหน้าฆ่าปลาในตุ่มไม่เป็นไรกว่าจะแต่นี้ <c oughs> สินค้าแรกปลานาหน้ า, นาสำรวจสังเวชไหนตื่นขึ้นมาฟังข่าวก็มีตั้งใจเรื่องฆ่ากัน มันเช่ากัเรื่องฟ้องร้องกันข้าหมาข้าบัวยิงบัวกันยิงหมากันชาวพุทธที่ไหนล่นะแล้วแต่จะพุทธจึงช่วยกันจึงพยายาม <c oughs> จัดร้างโครงการพุทธมามาการสงฆ์ข้พุทธมามาการศีอินทรารักษาใจนะมีผู้มาสมัครร่ายก ว, ว่าคนเหล่าสมัครปฏิบัติ แล้วแต่เจ็ดขวบขึ้นไปถึงยี่สิบหรือใครสามารถที่จะปฏิบัติได้รักษาถินแปดตลอดเรียนจบก็จะส่งมาหาลาัยรกคาแพงก็จะส่งให้ขอให้เน้นหนักภาคมีศีลธรรมโดยเฉพาะมูลนิธิกองร้องปูกเพื่อบำรุงพระสาตนาสงคอ์พวกเด็กบำรุงวระานารรมนี่ก็จะได้ประโยชน์เยอะสมมุติว่าร้อคน เราเรียนจบอย่างน้อยที่สุดก็ต้องได้สิบคนเป็นด็อกเตอร์จะเน้นหนักเรื่องข้อปฏิบัติรักษาวัฒนธรรมชาวไทยชาวพุทธให้เขาไปสอนต่อไปสอนคนให้รู้จักเรื่องศีลธรรมคนหนึ่งมีอา น, นิสงส์มากสอนผู้ปฏิบัติศีลธรรมได้เข้าบวชได้พัฒน์สุสวงรูปหนึ่งก็ได้อา น, นิสงส์มาก ถ้าไม่มีผู้สานต่อหมดเทธศาสนาของพระพุทธเจ้านี่มันน่าสลดทลั้งเวททั้งมืองไทยน่าละอายเ็เมนไหพวกไหนจำไม่ได้ละยกหลปู่มั่นกับท่านเจ้าคุณอะไรเป็นคนพิเศษในโลกแล้วเรืนะ่องคุณธรรมโดยเฉพาะภาคปฏิบัติทำท่องดูไปแปรดูสินแปรข้อนั้น จะมีความสุขไหมพ่อแม่พี่น้องเห็นลูกก็ดึงได้พ่อได้แม่พี่น้องอีกเลยกลูกตัวเล็กไปถือศีไลไร้แล้วละอ้ายลูกหลา น, นแล้วก็พ่อแม่กดี อ, อกดีใจเลยนะเพราะวัดพวา่าน่นไม่ได้เป็นห่วงเรื่องหยาบ้าท่ากันตีกันดึงกันไปหานอกคลอกออกจากโรงอกงเรียนไปหน ถ้ามีจุดนี้แล้วเขาก็จะงดเว้นจุดนี้มีความละอายไม่ไปคมขืนลูกเขาสามีเขาเพื่อนเขาไม่ไปเห ย, ยียบย่ำหัวใจกันนไอ้ชื่อสัตว์ไม่ได้ไปคุมดูอยู่ตรงเรียนที่ไหนที่ไหนสมัครใกล้ของไอ้มีความชื่อสัตว์แต่แกต้มแดงความลกไม่มีในโลกนั่นคําของพระพุทธเจ้าถ้าเราสอนจุดนี้ให้เขาเน้นห น, นักเรื่องสิ่งละธรรมสิ่งแบบข้อโอ้ ใครว่าเป็นของเล่นเมื่อไหร่รนะ้ายกบกน่ะนี่เฉพาะในนามอ้อยเอ็ดนิดห่อยนะไอ้นนี่พวกโรงแานก็ยังว่ามีอยู่ในกรุงเทพยังมาู่นี่ยังตัดสินใจไม่ได้อยู่นี่เห็นยังไม่ได้เป็นทางการเว้ยวานนี่เราไปแวะมึงนครสวรรค์บอกว่าลบนิดเด็ดหน่อยยายคนนั้นที่ฉันก็เห็นด้วยดีด้วยที่ฉันจะตรงให้เดือนละหนึ่งพัน เห็นไหมล่ะถ้าได้มื่นคนจะเดือนหนึ่งจะได้เท่าไหร่หน้าเริมใสก็เห็นประโยชน์นะถ้าคนมีกิจตาชานหน้าจะเริมใสนะเพราะไม่มีทิศศิลธรรมแล้วก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรนะสำหรับผู้มาปฏิบัติโดยเฉพาะมูลนิธิของหลวงปู่นั่นแหละบำรุงพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นทางโรงบยาบามาขอหลวงปู่จึง เวกเอาไว้สองแห่งเลยเมืองพลก็ขอเราหลวงก็ขอขอก็ให้นิดหน่อยแต่ว่าให้ไปตั้งต้นกองพระป่าขึ้นในวัดสถานที่นั่นๆอย่างเราหลวงก็เพื่อเกษก็ไปตั้งวัดป่าเราหลวงอย่างเมืองพลยังไม่ได้พูดไม่ดีใจแล้วเรื่องโรงพยาบาลทางโรกเนี่ยเพราะอะไรล่ะเพราะมันไม่หายถ้าโรงพยาบาลของคุณเจ้าหายคือไม่มีเกิด ทารักษาตามคำสอนของพุทธเจ้าได้ไม่มีเกิดแก่เจ็บตายมีมาจากไหนรักษาใจอเราก็ไปรักษาแต่ร่างกายร่างกายรักษาได้ยังไงเกิดแล้วแก่เจ็บตายได้ยินไหมทำไมไม่เอามาท่องให้กิเลสได้ยินบ้างเกิดแล้วแก่เจ็บตายเราจะไปห้ามได้ความเป็นจริงนั้นความเป็นจริงของพุทธเจ้าพุทธเจ้าพูดจะเรื่องเป็นจริง แต่เราไม่ชอบไม่ยอมจีเลสไม่ยอมรับเอาแต่ของจอมปลอมเข้าหาหมอเป็นอะไรเขาหาหมอเครื่องอะไรต่างๆนะเครื่องใช้เครื่องสายเครื่องเล่นเครื่องหัวเครื่องเพลิดเครื่องเพลินเครื่องขบเครื่องฉันเครื่องอะไรมีแต่จอมปลอมทั้งนั้นนะเขาลํามโภชนาอาหารเมื่อสังวังสังมีแต่จอมปลอม่ใช่หม้ออาหารเรื่องปลาใช้อววอหารถุนหมู ถุนคอถุนกระบือ้อนั้นไม่ใช่เมื่อธรรมชาติเนนนะ ห, หมือนก่อนๆนะให้มือหนแดงให้วันหนแดงให้เนื้อนอนเนื้อนีน่เยอแะแยะอย่างนั้นอย่งนี้ก็ว่าไปที่ในเข้าวหน้าพจนอาหารกับไม่ใช่ฟืนเอาไฟแก๊สแก๊สมาจากเชื่ออะไรหรืมันเป็นผสมประสิกกับข้าวกับอะไรก็ไปกับอาหารก็ไปนะเพราจะนั้นหลวงปู่ใหญ่ไม่ฉันพวก หัมวมือแก๊บทั้งด้วยแก๊บคนเราไม่ขยันทุกวันเนี่ยก็เพราะความขี้เกียจน้ำบา่อตำเขาบ่ออตักนาา้าไปเหมือนกันแล้เขาขยันใส่ผู้ดีน้ํายี่ห้อนั้นอร่อยยี่ห้อนี้ไม่อรอ่อยน่นเป็นไปได้เ <c oughs> ขออาก็ตําน้ำบ่ตักก็เห็นเองทําเองไม่มีพึ่งตนเองแล้วมีแต่พึ่งในหลวงพึ่งในหลวงเล็กเท็จเปหมดแหละมันแทรก โรคภัยขค่อเจ็บเขามาตามพวกเหล่านั้นหายใจเข้าใจออกแอร์อากาศต้อนนั่นเี่นั่นแอนก็เป็นพิษเป็นภัยน่ายาแอร์เขมาจากอะไรอ่ะไม่ได้ได้ลมธรรมชาติอากาศธรรมชาติได้สูตรบ้างไหมถ้าลดแอร์ออกจากรถต้อนเข้าบ้านแอร์อนี่แหละต้นแรงเป็นเพืงของต้นวิทาเพิงเพืงแอร์เพืงอนลมเพืงอนนี่โอ้โห อาชีพดูนะละเอียดนะธรรมของพระพุทธเจ้าพเาพราะเพระดั่งพระเจ้าจึงไม่บอกว่าธรรมที่เราตถาคตและตถารูกยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้จะรู้ได้หรือจะดูได้หรืเราขาดอ่านทําบุญเราไม่มีปัญญาเราทําอะไรเอ่เฮ่เฮ่ข้าในยมโละกะปกครองที่สุดคือประเทศไทยดื่มสุราตายมากที่สุดคือจังหวัดไรอเอ่ะเห็นไหม พวกเขาจับเด็กแว้นรวมกันแล้วจังหวัดพะเอยดจับได้มากที่สุดคือ300คูอาร์คันทั่วประเทศได้กี่คนก็ไม่รู้ก้อสู่จับได้หมดได้อย่างพวกเด็กแว้นเด็กบุ่นวายอ่เอารถไปะหวงถนนแล้วก็วิ่งรถแข่งกันมีที่ไหนละ่ะความสุขของประเทศชาติมันน่าสนดกไหมเพราะฉะนั้นจิงเจ้นนักนี่แหละผมปู่ไปที่นั่นไปหาดูกองตุนยอชม ลูกติดของพระพุทธเจ้าที่ไหนทําตามคําสอนของพระพเจ้าจึงจะไปบ่อยที่ไหนไม่ทําตามจะหาวิธีได้แก้งก็ได้ไม่ต้องไปเราพว่ไม่วุ่นวายพะพุทธเจ้าให้สั่งให้สอนทําตามคําสอนของพระเจ้าคนไม่ได้ซื้อถ้าได้ซื้อลมปูไม่ย่นะดูลมเข้าลมบอกไปซื้อตรงไหนทําไมไม่ทำํทำทําให้เกิดสมาธิทําให้เกิดปัญญาอารมณ์ถ้าคิดเผลนๆก็เป็นของง่ายดู แต่คิดละเอียดก่อนลึกซึ้งทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งสุ ข, ขุมคำภีลภาพแต่ละคำพูดแต่ละคำพูดพิจณาออกไปตริที่มันกว้างออกไปรักษาใจถ้าพูดคำเดียวแค่เนี่ยเอาคูบายออกไปที่นี่ได้ประโยชน์อะไรคิดหาประโยชน์ทางฝ่ายเรียนหนังสือเรียกว่าทำอะไรกระทู่กระทู่หรือทางโลกเขาเรียกว่าอะไรไป หนังสือที่เป็นหัวใหญ่ๆแลหลายๆเล่มไปหาดูที่นู่นที่นี่เวลาเขาสอบจะจบจกจบดรจะอะไรท้องหาข้อมูลหนึ่งควรเป็นอยู่ของโลกควรเป็นอยู่ของสัตว์ควาเป็นอยู่ของนกความเป็นอยูขอ่ของปลาควาเป็นอยู่ของต้นไม้ฝ้าอากาศอะไรก็าลงในสมุดแล้วก่อนเดีขาจึงอ่านหรือว่าคนถึงกับผู้ตรวจสอบยึงอ่านไม่จบง่ายๆแต่คนนี้ให้ขอ้อความอะไร เ <c oughs> จตนาที่ผลคืออะไรเขาว่ากันไปเนระาใช่คนคิดออกจากคําพูดคําเดียวให้มันก้วงอันนี้คาว่ารักษาใจก่อนทิศให้มันก่วงบอกไปดูสิแต่เราไม่มีเวลาเจ็ทิะมันเครื่องด้วยวนกิริ่งกิริงมากกิริ่งกิริมากด้วยวนกวรใจเห็บุญไร่บุญไร่ธรรมดาก็พอแล้ว <c oughs> นั่นคนเราชอบยุ่งเอาที่เรื่องยุ่งก็จะหมดจากนี่มันจะอ้อะไรมาอีกนะคอยดูเถอะ ขึข่าวมาแล้วรถไม่มีคนขับก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเห็นเห็นทีเขาว่าเดี๋ยวนี้คนก่หอได้แล้วรถมันติดขึ้นรถขึ้นเครื่องตรงนี้ขึ้นไปลงตรงนั่นก็ทําได้แล้ว <c oughs> จะจดโดดตรงไห น, นเขาไม่เิ้นโชดโรคนี่ไม่เิ้นโชดที่เิ้นโชดคือคําสอนของครูเจ้าะเห็นไหมอย่างเดียวแค่นั้นดูรมอย่างเดียวเิ้นโชด ร, รักก็ไ ม, มีโรคก็ไม่มีตัด ได้ทุกอย่างก็คือลมได้ย่ำอยู่เมื่อวานไปนคะวามตาอันก็ดีลูกเตาทะเลาะกันอย่างนู้นอย่างนี้ทำอะไรก็ไม่ธมมาค้าขายไม่เทียบไปร่อยตั้งราคาหลายล้านหนุ่วู่นั่นเหน็หนไหมล่ะปัญนาปัญนาอยู่ที่ไหนกว่าที่เราถ้ามันทะเลาะกันก็เข้าสมาธิที่เรื่องทะเลาะกันทำไมนั่นเข้าใจไม้มคนเราชอบอยุ่ ถ้าตข้างสมาธิเราไม่มีทะเลาะกันเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาอยู่ในคําพูดใครก็พูดได้เมตตาเป็นยังไงมุติตาอุเบกขาเป็นยังไงก็ปล่อยว า, ยางได้กินได้อะไรก็ามาก็อยาเอาเขามาในใจสิมันหูเข้าหูหนึ่งออกหูหนึ่งที่เรื่องที่ไม่เป็นสารละนํามาถึงขมทะเลาะ บ, แบ่แเป็นคำโบราณบอกไว้แล้วตกมือข้างเดียวมันไม่ดังะใครอยาก ปวดใครอยากแข็งใครอยากไม่เกียดอะไรปวดเกียดอะไรก็ก็ว่ากันไปทําไปที่ใครไม่ขี้เกียดเก็บเอาไว้ในตนเองนั่นแหละถ้าไม่มีใครรับมันก็สบายถ้า ต, ตกมือสองมือเอาคนนั้นดีคนนี้ก็ดีตามดีกใจกันออกไปทะเลับกันแล้วสิไอ้ครับของพระเจ้าถามว่าไงดีแล้วเมื่อเกิดทําไมอ่าของของพระเจ้า เราได้มาได้บุญเต็มเปี่ยมนะเกิดมาเป็นมนุษย์พบอุตสาสน า, าพบทาคําสั่งสอนของพุณเจ้าจึงมีพระเจ้าประสงค์เพื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้ายังมีอยู่แต่เราคนส่วนมากก็ไม่ได้คิดอ่านให้ควรพิจารณาหาเหตุผลตามคําของพระเจ้าเลือกให้การเลือกให้เลือกปฏิบัติเลือกให้ทานเลือกเลือกปฏิบัติ กเเนี่ยก็ต้องเรื่องรู้ว่าเหตุผลของพระเจ้าตามหลักอะไรละ่ะสุปฏิปโนอุจุปณิวิเดะทรร่องแต่ความว่าเราการก้องหาพระสงฆ์ไห ม, ม ย, ยู่ไหนก็พระเหมือนกันหรือวัดมีตุ้นหนต่มแห่งก็บอกให้แล้วถ้าพูดแต่บ่อยก็อามว่าหลวงพ่อพิจิตีพระแต่างนู้นอย่างนี้อีกยกตนเหลายท่านก็ว่าไปอีกแหละไม่ได้ยกตนเอาคําสอนของกุศลพ่อแม่ครูบราอาจารย์ พาไปปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เห็นได้รู้จะไงก็ตามที่ได้ดูได้รู้ได้เห็นมาพูดไหมงั้นก็โกหกกไม่ยอมละเอียดหนะธรรมของพระเจ้าได้ดูได้รู้ได้เห็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นผมมาบอกเห็นไหมล่ะดูลมมันสบายไหมพระพุทธเจ้าได้ตัดพระพุทธเจ้าที่ตัดตัูลเพราะดูลมก็ดูเข้าไปที่เมื่อกี้ มันมีลักตรงไหนมีโลภตรงไหนถ้าจูุดการดูลมออกมาแล้วลืมตาขึ้นโลภแล้วพอควมเห็นน่นเห็นนี่ไม่ใช่เฉพาะโลภเฉาปัจปปจุบันใจเงินทองอย่างเดียวนะเอาน้าโพชนาอหานสิ่งของเครื่องนุ่งเครื่องห่งมทุกสิ่งทุกอย่างเสื้อเต็มตู้อยู่เองเขาขายเขาเสื้อชุดนั้นชุดนี้เห็นมันโลภไหมล่ะโบราณตาาแล้วาต า, วตาอีก มันขาดก็ปะเอาปะเอาสองสันสามสันนุ่งเห็ดให้เห็นหน้าคือพอเห็นตายัดตุกวันนี้แน่นตู้ยุมาจากอะไรความทะเจอทะยานเศรษฐกิจแย่มันไม่แก้เศรษฐกิจเิเล่มันเยอะทำายู่ที่เหมือนโ บ, บราณผ้าก็ตัดเอาเย็บเองตัดเองถ้ามันผุนิดหน่อยทะลุนิดหน่อยปาเอา เดี๋ยวเห็นไหมล่ะคนนุ่งผ้าผ้าปะวัดพรอารามก็เหมือนกันนะพระสงฆ์ไม่มีปะผ้าหรอกน้อยที่จะเห็นพระสงฆ์ปะผ้าครูบาอาจารย์ต่เมื่อก่อนโอ้ดีใจเห็นมุ่นุ่งผ้าตาบเหมือนผ้าสายสานนี่ผมจกว่าผ้าตาบอ่ะคือมันทะลุมันเก่ามันแก่ตรงนี้มันโดยเฉพาะที่เราพ่านั่งดีๆกุบขอไปกดผ้ า, าสายทั้งหล่ะ ตูดนะพามันขาดรูมันนั่งหันนั่งนิ่มถูกไปถูมามเพื่อไงายปะกาไปหลายหลายชั้นตัวแล้ว <c> ท <oughs> ุม่มเงนเนี่ยโอ้ยก็าตั้งเดนมเกืบถิมแล้วซื้อไปกับตูวันถ้าเขาขายวันไหนซื้อรถมันไม่แยอะเราจิดเดินไปราคาค่ารายวานันทุกวันเนี่ยขอเท่าไหรแล้วขอสามร้อยสีร้อยขึ้นมาแล้ว แล้วคนอยู่เฉยๆก็ได้เงินทุกวันคนที่เกียดก็ไปส่งเสริมไหมที่เกลียดเอาลงไปเพราว่าทุกยากคนบอกทุกยากเราคนเราไม่ตีนไม่มือหรอกจัดที่ดินให้ที่ห้ามซื้อขา ย, เอ า, เ, ยเอาทําลงไปการเกษตรหาวิธีตลาดให้เขานั่นดีสอนเด็กที่เกลียด <c oughs> อ่าส่งเสริมทิ้งไปมาเมอาเพื่อเพื่อนไปยุยงยานหาจ้าบ้ามาเมองมาเมาหาสุลามาเมองมาเมา ไม่กิจใจคนแตกสาโนโมูคนไปหมดแล้วไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีพี่มีน้อง ก, กันแล้วทุกวันถ้ามีแล้วไมจะฆ่ากันฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้อง ก, กันอยู่นะนั่นแหละเพราะขาดการเพราะวัดทำศีลจำศีลภาวนาทานศีลภาวนาพุระเจ้าได้ศีลมาทำมาแล้วมาสอนในทานศีลภาวนา <c oughs> แต่ทาไม่ได้ คำพูดติโฉบมนุษยสัตวตีลาโพการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบป็นประเสริฐติดฉังพุทธสมุปปาดงการได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นลาบป็นประเสริฐติดฉังสัตยธรรมมัตสวรรงการได้ฟังทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นลาบป็นประเสริฐได้ฟังหมดแล้วอยังอย่างเดียวคือเราจะทําหรือเปล่าถ้าเรื่องอาหารใจเหรอเคยเว้นเมื่อไรเว้นทานอาหารเมื่อไร อาหารใจเราไม่สนใจ <c oughs> ซึ่งโดยเฉพาะไม่ได้ซื่อเสื่ไหวถ้าไม่มีลมใจก่อนนี้แล้วทำไมไม่ดูเราของบูดของเน่าทำไมแต่งบ่อยแท้มันทุกข์มันยากลำบากเพราะเอามาบุงมาแต่งเรื่องของบูดของเน่าไล่ก็ไปสิตื่นขึ้นมาทำอะไรก่อนปากเหม็นดัสทีฟวัน ว่าเขาไปดิก็ขี้หูกีตาขีนู่นคีนี่มิแตถ้าเอาเรื่องพูดขี้ให้มันจกกระปกนะอะไรบ้างเต็มไปด้วยของไม่สะอาดกายาคตาสติปะวนานหรือได้พูดเฉยๆล่ะพูดได้ทำไม่ได้เป็นยังไงล่ะกหกตันเองตอรนี้นกแก้วมันก็พูดได้มันไม่ความหมายสิงไม่รู้ความหมายที่ในใจของเราคุนกัน พูดได้แต่ต้องทําให้ใจมันสว่างสบายให้เบื่อนายแต่ของสปกปรกแล้วก็เสือ้อผืนเดียวสองผืนกับพ่อล้วก็ผืนหนึ่งน้องอุบุนผืนหนึ่งน้องทํางานนั่นในคนโบราณทำงานล่ะซักไว้เียเรียบใกล้กับเฮไปไปถน า, นานุองอุบุนน้องทํางานผืนเดียวกต่มันเข้ามาในากัปากเอาตาเอาป่าเอา อยทำไรแต่นนแตัยก่อนบางคนไม่ใส่เสื้อรอดเพราะว่าตากแดดพุดดำปีกุ่นดำสังน ม, มันทุกวันนึงอะไรก็มันรอ่รอนรอ่รอนรอ่อนกีเกียดข้าน้าโภชนาอาหารตกงุ้งต้งไม่เป็นทำอาหารกินไม่เป็นหรูหละเททิ้ง แ, แต่ละวันแต่ละวันมันไม่มีอะไรมากหาดอย่างเดียวคือกัรการทำบุญ เนี่ยทำบุญทำบุนดีกว่าทำบุญพระป่าำบุ ญ, บ ญ, บ ญ, บญพระปะาทำทานทานศีลภาวนานั่นทราเจ้าสอนทำอเอาไปแพร่เป็นแต่ละอยา่างแต่ละอยา่างทานคืออะไรศีลคืออะไรบุญคืออะไรภาวนากับบุญความหมายอันเดียวกันภาวนาคือให้คิดอ่านให้คอออวรพิจารณาให้ใจของเราส ง, งบทำยไงจึงจะส ง, งบก็เข้ามาดูที่ร่ม ชิดไม่ออกก็เข้ามาที่ลมมันชิดพุงสั้นก็เข้ามาที่ลมบังคับไม่อยู่ไม่อยู่ไม่หยุดบังคับให้อยู่ในลมหูวลมเขา้าลมบอกลมเข้าลมบอกได้ซื้อตรงไหนเราเน้นหนักปฏิบัติจุดนีน้ถ้าอาหารทางกายบอกบ่อยบอกบ่อ ย, อ ก, อยก็ไม่รับประทานมันก็ไม่อิ่มแต่อาหารใจจี่จริงบอกบ่อยบอกงานไหนหลวงปู่ไม่เคยทิ้งอาหารใจดูใจ ยังบอกว่าไม่พอเราก็ยังเขียนเสื้อแจกให้อีกนะจะไ่วยังไงล่ะหรือไม่พุยถึงความหมายเฮ้ยมีความหมายยังไง ร, รักษาใจรักษาทําไมอนะดูซิในตัวของเราทําไม่มีใจก็าตายใจอาศัยอะไรใจอาศัยลม <c oughs> นะเมื่อเวลาไม่มีความรู้ก็ไม่รู้ความหมายล่ะนุ่งใส่อยู่ทุบอยู่นั่นโทรอยู่นั่นแหะ ไม่รู้ความหมายเขาบว่ารักษาใจตนเด็กไม่เป็นยังไงไม่ให้รักไม่ให้โลกไม่ให้ตกนรกก็ว่าได้นรกคือร่ำรวยสวยงามโลกรักนี่ข้อใหญ่ใหญ่สองหม้อ น, นรกอยากรู้จริงๆก็เข้าไปเลยเข้าไปสมาธิว่าเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่ขักบกี่กัน ไปเป็นอะไรเข้าสมาธิดูไม่ไไต้องถามไปปัจจิตังรู้จําเพราะตนนะคําของพระเจ้าเรื่องน่าคุณปุตโธนก่อนได้มลูกหลานได้มีเกียรตินาตนาขอวงปู่หลวงพอมารับพระป่ากองบุญกองทานทำทานพระป่าเราก็ได้มีโอกาสได้แนะนําสั่งสอนให้รู้จักคําว่าทําทานรักษาศีลแล้วก็ทําบุญรักษากายราจษาใจให้เรียบร้อย เรียกว่าศีลรักษาจิตใจให้นิ่งเรียกว่าบุญของสิ่งของของขอ ง, ของทานข้าวหน้านมีอะไรล่ะข้าวหน้าอาหารอาหารเป็นตบาสเครื่องนุ่นงเครื่องงอมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนั่นสำหรับของทานให้สําหรับเพื่อร่างกายแต่ทุกวันนี้ของทานมันเยอะเกินไป <c oughs> คนได้ลืมศีลกับเริ่ม เขาทำบุญมาที่นี่เพราะของทานมันไปิดครอบมาของทานมันเห็นด้วยตาเนื้อตาเนื้อเป็นตาโลกตากิเลสพอเห็นแล้วก็เกิดความรักใช่ไหมน่ะถ้าเราหลัตาเราดูความจบกบกมันจะไปรักตรงไหนเรามันจบกบกมันโบดมันเน่ามันแหม้นของโบดของเน่าของเหม้นน่ะแล้วก็มองไปนั่นแหละไปว่าจบกบกแหม้นนิดหน่อยก็ไม่ได้โกดแล้ว เมืคนนู่นเมืนคนนี่เหมือ น, นนาย น, น, นู่นมืนนางนี่ไม่ยอมรับความบูดความน่าความเหม็นความเก่งมันเป็นคําของพระเจ้าเขาคือความจริงสิ่งไหนเป็นความจริงนั่นเป็นคําของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมคาของพระพุทธเจ้า <c oughs> เป็นบุญกุศลที่พวกเราได้ดูได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วนําไปตระพฤติปฏิบัติให้จิตใจได้รับความสงบ <c oughs> นาทุนผู้ส่งของคุณพระพุทธเจ้าคุณประทรรมคุณประสงฆและสิ่งสมทั้งหลายก็จงมารวมกันจงปกป้องป้องกันตาอจนได้ชมบุกรหลานได้ติดตีน้องต้องมีแต่ความสุขคมเจริญสุขกายสุขใจอาจากมาจากทุกโศกโรคภัยการงานจิงใดการเงินจิงใดปัตตนาสิ่งหนึ่งในจงสําเร็จจงสําเร็จชมดังความปัตตนาจงทุกประการเธอ กี่ใต้ออก็นาออยกยูที่แค่ด้ว่าถึงแสน ต, ต่อไปองมาถึงแสนหกมื่นแปดร้อยห้าสิบหกแปดร้อยหกสิบห้าจะปวกเขียนจะเขียนเลีเ่วไปงั้นมือนี่ผมไมูเ้เขียนอันนี้ เกิยอดเจ้าภต่ออีกห้านเจ้าภาพโอ้โหเจ้าติดต่อพี่มได้สามอีกห้าันจะได้ครบแสนเจ้าภาพพงครบแสนที่อู๋ได้ทีู๋แล้ววู่านานแล้วก็เนี่เพิ่งมาค่ะหลวงปู่แทศก็ได้ยินแล้วกค่ะเงินแสน 5,000 บาททวนเจ้าค่ะหลวงปู่ไปเรื่อวันสวันค์ไปพูดเรื่องบอกว่าหลวงตาให้ลูกหลานเพิ่มกัวมาร้อยกว่าคนแล้วลูกหลานพุทธมามากะหยวงตาจะทำโครงการสงเคราะห์พุทธมามากะศรีอินทรารักษาใจโรงพยาบาลทางโลกรักษาใจ โรงพยาบาลทางโลกกายมัรักษาไม่ได้เขามาขออีกสองแห่งเลยปฏิเสธไปแล้ว ใ, ใ ห, วใหว้ตั้งต้นทุนให้เโยวให้แสนเดียวตั้งต้นทุนไรสองแห่งํางเภอเกษตรก็วัดสาขาหลวงโคศุขโรงพยาบาลมันแต่ได้มาขอตั้งท้นให้เขาให้ท่า ย, ยกถึงที่นี่ทํำาฟ้าป่าขึ้นหลวงปู่ไม่มีโครงการขที่จงเสริมโรงพยาบาลทางโลกหลวงปู่ใหญ่อ่ะ มูลมิตริของหลงปูตั้งเอาไว้ดอกผลบำรุงพระพุทธศาสนาเที่ในเด็กเขามารักษาสินแปดก็แปลว่าพระพุทธศาสนานะร่ายของคนรู้สึเด็กตั้งแต่เก็บขวบขึ้นไปถึงยี่สิบขวบหลว ง, งปู่หลงตาหลงสงฆ์ อ, อะไรคือให้ค่าเทอมเขาช่วยพ่อแม่ใครรักษาสินแปดก็แต่ถึง แล้วจากดวงตาไปแล้วไปถึงกับเรียนจบ ต, ตาสงให้ข่าเทอมไม่ใช่ให้ถือเฉพาะวันพระเฉพาะไอ้ข้อพรรษานะ้นไมถือทุกวันพระไม่ใช่ทุกวันทุกวันพระตลอดถึงเรียนจบพรรษาก็ดีไม่ขอ้อปรรษาก็ดีตลอดถึงกับเรียนจบทีนี้จะไงจะไปจบสอบเขาได้เขาหลายคนเขาจะตรงไปตรงมาไหมก็ โทษเรื่องความจริงก็หอกตอนเองก็หกไปได้นะ่ะให้ถือความจริงให้ถือสัจจะความจริงไม่มีใครจะไปตามดูแลหรอกพระเจ้าก็ยังไม่ไปดูแลรู้จักจิตใจเวนัยสัตจทุกหนทุกแห่งว่าจิตใจใครคิดยังไงพระพุทธเจ้ายังสอนไม่ได้อยู่คนในโลกเี่พรพุทธเจ้าสอนได้ดูใจจิตใจรู้จักจิตใจเวนยสัตว์ถึงขนาดไหนดังแล้วแต่ใจเขานะาั่นปะจตตางโลกจํำพระตนอยู่แล้ว นั่นแหละคุเจ้าลูกกบิทูลูกแกล้งโลกความลับไม่มีในโลกฉันจะไปขโมยเขาไม่มีคนเห็นฉันจะไปทํา <c oughs> ดีไม่ดี ไ, ม, ดไม่งามไม่มีคนเห็นแต่คนพูดเนี่ยเป็นคนไหมถ้าว่าไม่มีคนเห็นนะ่ะคุณเจ้าให้ทำตัวนี้หัวตาก็จะเอาแบบนี้นะให้มีสัจจะมีความจริงใจจะเน้นความซื่อสัตย์จรเยธรรมที่มีญาติพี่น้องพ่อแม่หรือถามตัวเขามาแล้วว่าพวกคน คิดว่าเขาจะเบื่อหน่ายคิดว่าเขาจะทําไม่ได้เขาก็ดีใจดีใจเมื่อไรจะถึงวันพระถามตัวเล็กๆอีกางือด้วยนะมันมีก้มศอกเขาไปยนงไงสบายเลี้ยงกินด้จอกด้วยดี๋ยวนีบางคนพ่อแม่ก็มานะเพราะอายลูกไต <c oughs> ้ลูกก็ในเล็กมาถึงเสิ้นแปลเสร็จเราจะไหมล่ะ ม, มถึงวันพระมันสิ้นวันพระเจ้าจะสอนแล้ว ถ้ามีจุดนี่มันก็ไม่มีปัญหามีกรมของเราสมานถามเมื่อกี้ซื้อสัตว์ชุดสืติดต่อตอนเองแล้วก็ครัวยังในรั้มยังในย่ำย่ำเมืม่อวานก็ไปเรื่องโรงงานเรื่องทำโรงงแค่เย็นเขามีปัญหาเพราะอะไรล่ะมีปัญหาทะลูกลูกทะลักการงานนั่นเห็นไหมมีปัญหาแต่ไม่หาลุงตาทําอะไรลุงตาช่วยแต่เราก็ต้องช่วยกันดีเราต้องซื้อสัตว์ชุดสืติต่อกันมีกรมของเราสมานถามเมื่อกี้นั่นึป็เจเดียวกัน ถ้ามีปัญหาหรือเฉพาะลูกในครอบครัว น, นั่นหนึ่งเซด้วยนะลูกทุกคนลูกน้องลูกสิลูกหามีกี่คนต้องซื้อสัตว์ุติดตต่อนายไม่ใช่ว่านายผกว่ามาทำ ง, งานแปดโมงเก้าโมงจึงมาให้เลิกงานห้าโมงสามโมงสี่โมงเตรียมกระเป๋าหนีแล้วกวานายด้วยนั่นเห็นว่าเรามีอาคติแล้วถ้านายไม่รวยนายก็ไม่ขึ้นึ้นเรียน ถ้ามาตามเวลาการงานไปจเจริญรุ่งเรืองนายก็ขึ้นเงินเดือนให้เห็นไหมละ่ะอย่าไปคิดว่าให้นายด้วยให้นายเพื่อ ใ, ให้เราทำงานเพื่อเราไม่ใช่ทำงานเพื่อคนโน้นคนนี้ถ้าเราทำดีชื่อสัตวุดรดิษ์ใครจะไม่รักอยู่ให้คนไว้ใจเวลาหนีไปให้คนคิดถึง <c oughs> อาถรโบราณทดเล ดีใจเยอะเรื่องช่งงางโรงส้งตาเขาจะบอกว่าเ จ, จะถ้วยคาดอาหารช้างนะถ้ามันมาประจํามันก็ถายลูกกันเองแล้วก็โพโฮ่คงจะไม่ใจไหวหรอกช่างเดือนหนึ่งมันจะมากินหรือเปล่าไข่ตานหนึ่งก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกกล้วยรถหนึ่งก็งไม่แพงเท่าไหร่เราก็เลยบอกว่าไปหาแผ่นใช้เอาหน่อกล้วยป่ามาปูก ปลาือป่ามันไม่ปลูกกักเมล็ดไปตกตรงไหนมันก็เกิดขึ้นม า, มาเมล็ดตกตรงไหนก็เกิดขึ้นมาไปดูป่าแปลโอ้ยเิดถึงสร้างผู้หอเยเนี่เอาไล่มันไปแล้วไปก็กลับมาอีกจะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนคนกัดไล่อะไรโอ้ยงสมมตสงสารสายมือไฟเอาลรครจะสาย